ได้มีความตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาจิตของท่านทั้งหลายอาจสงบนิ่งโดยที่มมีกิเลสเลยแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็น่าจะ หลุดพ้นจากวิบากเข้าสู่พัพนิพานได้เพราะฉะนั้นการฝึกสมาธินักปฏิบัติทั้งหลายต้องมาทำความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจแล้วเนี่ยถึงจะรู้ว่าเหตุและผลเป็นเช่นไร นักปฏิบัติต้องรู้เสีย ก, ก่อนว่าสติคือความรู้ตัวการที่เรารู้ตัวว่าในขณะนี้เรากำลังบำเพ็ญเพียรอยู่เริ่มแรกเราก็ตั้งสติก็คือตั้งใจ ตัเข้าไปในที่หัวใจก็คือดวงจิตของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยเปรียบเสมือนซับภายในหัวใจของเราเนี่ยก็คือซับภายในกายเนี่ยเรียกว่าซับภายนอกค่อยๆนึกตามไปเมื่อเราเกิดมาเนี่ย ก็ต้องมีคนแนะนำมีคนสอนคนหัดในขณะที่เราเกิดมาเนี่ยเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ได้แต่ร้องในขณะหิวร้องในขณะที่ตกใจกลัวพ่อแม่ก็คาดเดาแล้วก็คาดกันเอง ว่ารุกลองเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรการที่เด็กร้องเนี่ยต้องมีสาเหตุพอแม่ก็คาดเดาก็เหมือนกับตัวเราก็เช่นเดียวกันพอรืมตาอ้าปากเมื่อได้เห็นตัวเองแล้วก็เห็นหน้าคนอื่น เด็กที่ลืมตามาเนี่ยไม่ได้มองเห็นตัวเองมองเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนอันดับแรกพ่อแม่ก็พยายามเข้ามาใกล้ชิดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็พยายามสอนอันนี้คือพ่อนะอันนี้คือแม่นะ พ่อแม่เนี่ยก็มาอยู่คลุกคลีอยู่ตลอดเวลาลูกก็รู้สึกชินลูกรู้สึกชินหน้าพ่อหน้าแม่พอชินมองไปก็รู้สึกว่าไม่แปลกหน้าก็ไม่กลัวแม่ก็ยิ้มบ้างพ่อก็ยิ้มบ้างลูกเห็นพ่อแม่ยิ้มลูกก็ยิ้มตามบ้าง โตขึ้นเรื่อยๆนะพอเด็กก็รู้สึกชินว่าขณะหิวเนี่ยก็ทุ่นหลนทุ่ลายตัวกระดินกระเด้วกระเด้าไปเราก็อ้าปากร้องพอร้องปุ๊บเนี่ยแม่ก็รู้เลยว่าลูกหิวแล้วก็อันนมยัดปากพออิ่มแล้วก็ให้พ่อเฝ้านะหัดให้เรียก นี่คือแม่อันนี้คือพอ่อนักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราเนี่ก็เหมือนกับเด็กอ่อนเป็นเด็กอ่อนที่เกิดมาเนี่ยยังจำหน้าตัวเองไม่ได้ยังจำใครไม่ได้เลยเอะอ่ะก็ร้องข อ, อเพราะคุณเจ้าใหม่ๆเนี่ยก็ร้องขอ ก็ไตรจีวรมีเพิ่มไหมมีกุติไหมมีพระอยู่ด้วยกันไหมตามภาษาของผู้ที่บวชใหม่แม่จีก็เช่นเดียวกันนักปฏิบัติก็ค่อยๆนึกแต่ว่าทรัพย์ภายนอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ย มองเห็นตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมองเห็นตัวเองเนี่ยค่อยๆเติบโตเป็นรูปร่างนะพ่อแม่ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างก็ตั้งชื่อตั้งเสียงสมมุติชื่อให้ในขณะที่ลูกโตเนี่ยเมื่อเราโตขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่เคยเห็นหน้าตัวเอง จำแม่นรือก็ใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พ่อแม่ก็แปลว่าผู้ให้ผู้สั่งสอนให้ผู้แนะนำให้แต่นักปฏิบัติทั้งหลายซับภายนอกก็คือร่างกายเมือ่อตอนเล็กๆพ่อแม่ให้นุ่งสีอะไรเราก็นุ่งไปพ่อแม่ให้ใส่อะไรก็ใส่ไป พ่อแม่สอนอะไรรู้สึกทำปฏิบัติตามได้พ่อแม่ก็ตบมือให้รางวัลชื่นชมหอมบ้างกอดบ้างให้สิ่งของบ้างใจที่อยู่ภายในเนี่ยเด็กเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยเป็นใครกันแน่เป็นอะไรกันแน่นักปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน ไม่มีสติรู้ตัวรู้ตนก่อนเนี่ยเพราะถูกฝึกแต่ทรัพย์ภายนอกมาเมื่อเห็นกายตัวเองแล้วโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นหนุ่มเป็นสาวปุ๊บก็เริ่มขัดสีฉวีวันตัวเองเริ่มแต่งตัวมีเครื่องประทินโฉมต่างๆนานาเริ่มไกลตัวและแค่มองตัวเอง โตขึ้นมาอีกก็เริ่มมองมองคนอื่นแล้วผู้หญิงก็เริ่มมองคนอื่นผู้ชายก็เริ่มมองคนอื่นไม่ได้มองตัวเองแล้วเรียกว่าทรัพย์ภายนอกคนโบราณเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยเหมือนมีทรัพย์เหมือนเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งถ้าผู้หญิงสวยเนี่ยเขาเรียกว่าเรือนร่างเป็นทรัพย์ ผู้ชายหล่อหน้าตาดีเนี่ยก็เรียกว่ามีเรือนร่างรูปร่างหน้าตาเป็นซ้ำนะที่เราเคยได้ยินอยู่เราได้เคยได้ยินแล้วได้เห็นไกลตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยมองตัวเองเลยไกลจากเรือนร่างก็คือตัวของเราเองเนี่ยมองกับคนอื่นแหละไกลไหมเริ่มออกไปแล้ว จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยไม่ได้นึกถึงตัวเองแล้วเริ่มนึกถึงคนอื่นแล้วไอ้จิตของเราเนี่ยกายกับจิตนั่นเองที่หลวงพ่อกำลังสอนเราว่ากายวิญ ญ, ญาณกับจิตวิญญาณยกตัวอย่างตั้งแต่เด็กเลยเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แล้วก็รู้เรียนจากจากตัวเราเลย ไม่เคยมองตัวเองไม่เคยเห็นใจตัวเองพอโตขึ้นเริ่มไกลตัวเองเขาเรียกว่าไกลพ้นนะเริ่มเอาใจเนี่ยไปใส่ใจคนอื่นเขาเรียกว่าไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราถูกฝึกจากรีเลน ทางตาเนี่ยก็มองเห็นทางหูเนี่ยเาเรียกว่าไกลหูไกลตาพอเราเนี่ยสุดลูกหูลูกตาแล้วเนี่ยเสียงที่มองไม่ได้เห็นเสียงที่ไม่ได้ยินเนี่ยมันไกลมากตาที่มองไม่เห็นเพราะว่ามันไกลมากมันไม่ชัดพอพ้นไกลตัวยมค่อยค่อยคิดไปที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนักปฏิบัติค่อยๆ ค, ค, ค, คิดไป บางคนก็อาจจะงงนิดหนึ่งเริ่มแรกเราก็มองไม่เห็นหน้าก่อนจำหน้าพ่อแม่ได้ก่อนพอโ ต, ตขึ้นก็รู้ว่านี่คือตัวเราเอาสีนั้นสีนี้มาใส่โตขึ้นก็ไม่ได้มองตัวเองก็เริ่มมองคนอื่นชายมองหญิงหญิงมองชายพอห่างจากตัวเองเนี่ยก็เริ่มมองห่างไปเรื่อยเื เสียงที่ได้ยินที่จากพ่อแม่ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยพยายามสอนใกล้ๆพยายามพูดอยู่ใกล้ๆพ่อแม่ที่เคยกอดเคยชิดเคยอิงเคยนอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราเนี่ยเริ่มห่างขึ้นไปอยากจะไปนอนคนเดียวแล้วอยากจะไปอยู่คนเดียวแล้วอยากจะมีเพื่อนคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่แล้วเริ่มไกลจากตัวเองไหมค่อยๆนึกไป เมื่อไกลจากตัวเองแล้วก็เริ่มมองตาเริ่มมองเห็นเห็นพ่อแม่อยู่ใกล้ตัวเขาถึงบอกว่าใกล้เกลือกินด่างเกลียด ต, ตัวกินไข่เกลียดปลไหลกินน้ำพ่อแม่บ่นมากเข้าอบรมขัดเกลามากขึ้นเราก็ชักเบื่อชักเกลียดละแต่โกรธพ่อโกรธแม่เกลียดพี่เกลียดน้อง แต่พอพ่อแม่ทำกับข้าวหาทรัพสมบัติมาเราเนี่ยอยากจะแย่งอยากจะเอามาเป็นของตัวเองเรียกว่าเกียดตัวกินไข่เกียดปลไหลกินน้ำจิตเราเนี่ยค่อยค่อ ย, อยห่างตัวไปเรื่อ ย, เ, อยเมื่อจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกว่าสติไม่มีสติแล้ว พอไม่มีสติเนี่ยเราก็เริ่มมองคนอื่นและอยา ก, ยากได้อย่างเหมือนคนอื่นอยากได้อยากมีเหมือนของคนอื่นเลยทั้งๆที่ตัวเราเนี่ยไม่คิดเลยว่าเรามันจะเหมือนคนอื่นได้อย่างไรเห็นไหมสติไกลตัวเขาเรียกว่าซับไพนอกซับพอร์ตภายนอกเลยอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นมีแต่เราไม่ได้มองเห็นตัวเองว่า เราเนี่ยไม่มีทรัพย์ภายในไม่มีกำลังใจไม่มีความอดทนอดกัน้นที่จะต้องไปทำอย่างเขาแล้วจึงจะได้อย่างนี้เพราะนั้นเราเริ่มมองไกลตาแล้วพ่อแม่พูดก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วเริ่มเชื่อคนอื่นแล้วเพื่อนพูดคำสองคำไม่เชื่อเลยคนรักบอกว่ารัก คำที่รักจนถวายชีวิตเลยส่วนพ่อแม่เนี่ยกอดเราหอมเราเลี้ยงเรามาั้งตั้งแต่แดงแดงแบบเบาตั้งแต่ในท้องอบอกรักเราเนี่ยเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่ร้านครั้งเนี่ยทำไมเราไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ว่าพ่อแม่รักเราจริงบางคนก็โกรธพ่อโกรธแม่เกลียดพี่เกลียดน้อง ลองค่อยค่อยนึกตามที่หลวงพ่อพูดไปนักปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าทรับภายนอกมันไม่ใช่เป็นอริยรั์มันไม่ได้เป็นทรับภายในที่เป็นทรับอันประเสริฐที่มันซึมทรับเขาอยู่ในดวงจิตใต้สำนึกของเราอย่างแท้จริงจึงต้องมาฝึกแต่เรามาฝึกเนี่ยเอะอะมามองของนอกกายมองเห็นบ้านรถ สามีภรรยาที่ดินแก้วแหวนเงินทองเราเริ่งห่างตัวเข้าไปห่างไกลความรู้สึกของตัวเองที่ไม่ใช่ตัวเองเอาละเริ่มเข้าใจละเราเริ่มคิดเริ่มนึกเริ่มเข้าใจและ เ, เ, เ, เ, เลออจริงเนาะเราก็ไม่เคยได้ฟังอย่างนี้มาก่อนพระคุณเจ้าเออสมัยก่อนเนี่ยเราก็คุ้นต่อหน้าพ่อหน้าแม่ที่เขาเลี้ยงลูกกัน ลุงพ่อแกคิดได้อย่างไรพอเรามองตัวเราไม่พอเราก็จำหน้าพ่อตาแม่ก่อนอันดับแรกห่างกันไม่ได้เลยติดกันเป็นดังเมเลยเริ่มแรกเรามองกายตัวเองว่ารูปหล่อไหมสวยไหมพยายามปฏินโฉมของตัวเองพยายามทำให้มันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยการที่ตามมองเห็น ตาที่เคยมองเห็นคนใกล้ตัวเนี่ยมีความรักอบอ้อมเด็กก็รักรักพ่อรักแม่ห่างพ่ออย่างแม่ไม่ได้พอโตขึ้นทําไมเราไม่อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่เพราะเรามีความรักมีความรู้สึกมากขึ้นสมาธิก็เหมือนกันเราไม่คุ้นต่อซับภายในเลยในขณะนี้เนี่ยเรากําลังมาฝึก ฝึกสติสติก็คือความรู้ตัวก็คือทรัพย์ภายในการฝึกฝนตัวเองเนี่ยโดยที่เราไม่เคยฝึกมาก่อนเพราะใจมันไปไกลเหลือเกินนะใจของเราเนี่ยไปไกลจนสุดตา mm. เมื่อสุดตามองไม่เห็นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มปรุงแต่งเรียกว่าฟุ้งซ่านวิกฤต จ, จิตชานั่นเอง รังเลสงสยัยพอมองไกลจนไม่ชัดก็เดาเอาคาดคะเนเอานึกเอานะปุงแต่งต่างๆนานาคิดว่าไอ้นั่นมัง้งอีนั่นไอ้นีน่มัง้งไอ้นี่มัง้งไอ้นั่นมัง้งนะจนมีฌานเนี่ยฌานแปลว่าชินชินต่ออารมณ์ที่ชัดไม่ชัดจริงไม่จริง เราเอามายึดมั่นถือมั่นในใจเราเริ่มไกลจากตัวเราเข้าไปแล้วซับภายนอกเรียกว่าซับภายนอกคนที่มาบวชวันนี้เพิ่งรู้นี่เองอ๋อซับภายนอกก็คือห่างตัวไปเรื่อยๆก็คือความคิดนั่นเองและตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินเนี่ยมันห่างตัวเราไปเรื่อยๆจากที่พ่อแม่สั่งสอน พี่น้องสั่งสอนก็เริ่มมีเสียงคนอื่นเข้ามาชายก็อยากได้ยินเสียงหญิงหญิงก็อยากได้ยินเสียงชายผู้ชายก็อยากมองเห็นผู้หญิงผู้หญิงก็อยากเห็นมองผู้ชายด้วยความเป็นบุ ป, ก, ปรกรรมที่ระหว่างพ่อกับแม่เหล่านั้นมีการมะลาคะเราจึงเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยวัยเจริญพันธ์ เรามันมีแต่เจริญหูเจริญตาคือเจริญกับทรัพย์ภายนอกเราก็คิดแต่เรื่องนอกตัวตาพืชไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยแต่อยากให้คนอื่นมาเห็นใจเราเออลองนึกซิว่านักปฏิบัติลองนึกไปว่าเออ ซับภายนอกอ๋อความหมายของพระพุทธเจ้าคืออย่างนี้แล้วซับภายนอกเนี่ยไกลหูไกลตาไม่พอปรุงแต่งนึกดนบันดาลไหวกาบสารพัดขอสารเพเนะแต่ไอสิ่งที่อยู่กับตัวเองที่แน่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ายึดแล้วไม่มีสติเลยถ้าหากเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ย เรายังไม่รู้ว่าทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมมุติไม่สามารถเอาติดตัวเราไปได้ความหมายของพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์และสัตว์แมลงทั้งหลายในสัตว์โลกนี้ในผืนพิภพนี้ในโลกนี้ การที่เราเกิดมาเนี่ยตัวเปล่าเนี่ยเราจะต้องกลับตัวเปล่าเราจะต้องพัดพลากจากของที่รักนะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหานักปฏิบัติปฏิบัติจนไม่รู้ว่าซับภายนอกเนี่ยที่เราซับพอร์ตเข้ามาในจิตในหูในตาเนี่ยเข้ามาในใจของเราเนี่ย วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่เรื่องเลยเรื่องดีเรื่องร้ายเดี๋ยวหัวเลาะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอายเดี๋ยวนอนเดี๋ยวน้ำลายไหลเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวผายลมลองนึกถึงอาการท่านทั้งหลายว่าอาการของท่านเนี่ยมันสวยงามมากไหมอาการของท่านเนี่ยมันมีสเสน่ห์งดงามเราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลย เราได้แต่มองเห็นแต่ของสวยของงามเราอยากได้ฟังเสียงดีๆพอไกลหูหน่อยพอไกลหูก็เริ่มสอบถามว่าไอ้นั่นมันบ่นถึงเราบ้างไหมอีนี่มันจะถามถึงเราบ้างหรือเปล่าคนนั้นเขาว่าอย่างไรหูไม่ได้ยินก็อาศัยปากคนอื่นก็เรียกว่าปากกาเนี่ยมันยาวยิ่งกว่าปากคน คนเนี่ยมันยาวยิ่งกว่าปากกาเนี่ยในโบราณเขาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติโดยที่ไม่รู้เหตุรู้แต่ของไก่ตัวซับภายนอกแล้วก็ได้ยินเขาบอกว่าได้ยานได้ฌานไอ้สติคือความรู้ตัวอ๋อมันเป็นยังไงมานั่งกันใหญ่เลยสมาธินั่งกันใหญ่ก่าวกันต่างๆนานาจุดทูบกันเต็มไปหมด แต่ที่ลุงพ่อพูดเนี่ยซับภายในเนี่ยเคยได้ยินไหมแล้วเคยมองเห็นเคยได้คิดตามที่ลุงพ่อบอกไหมว่ากายใจของเราเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่กับตัวนะไม่รู้จากพ่อจากแม่เลยพอรู้ว่าหิวมันก็ร้องนะพอรู้ร้อนรู้หนาวก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ร้องตะบี้ตะบานเด็กพ่อแม่ก็ห่มผ้านุ่งผ้าให้จนรู้ว่า ผาชิ้นนี้หมอนชิ้นนี้มันชื่ออะไรแล้วก็ให้เรียกชื่อว่าพ่อและให้เรียกชื่อให้จำได้ได้ว่าแม่จำเล็กๆในน้อยก่อนพ่อกับแม่นะอาบน้ำทานข้าวนอนหิวลองแต่พอโตแล้วความต้องการของเราเนี่ยไม่ต้องร้องเลยไม่ต้องหิวเลยค้ยหาความรู้สึกสมมุติ ตามมองหูได้ยินเอามาใส่ใจเลยเห็นใจคนอื่นเข้าใจทุกเรื่องนะใครทำอะไรรู้ทุกเรื่องแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแสดงว่านักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติไปโดยที่ไม่รู้เหตุและผลพอเราไม่รู้เหตุรู้ผลเนี่ยก็เท่ากับเราดำน้ำเนี่ยงมเข็มในมหาสมุทร เอาระวันนี้ไม่สอนมากเากว้วก็ใช้เวลาไม่มากพรุ่งนี้เช้าเราจะต่อซับภายนอกนะว่าเราเนี่ยไปซับพอร์ตสิ่งใดไว้บ้างจนโง่เง่ า, งาจนหูหนวกตาบอดเดินชนเดินเหยียบนี่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยนะแล้วถ้าเกิดซับภายในก็คือใจ ใจของท่านเนี่ยมันใจดีสมกับที่เป็นสัตว์ประเสริฐหรื อ, อยังซับภายในเดาได้ซึมซับคุณงามความดีที่พึงกระทำเนี่ยมันอยู่อยู่ใต้สํานึกของท่านบ้างหรือเปล่าท่านนึกถึงตัวเองบ้างหรือเปล่าทําความดีก็อยากจะเป่าประการให้คนรู้ว่าเราดีเดี๋ยวเราจะได้รู้จักถึงซับภายในเราไปเอาภายในยไปซัพพอร์ตความชั่วของข้างนอก เอามาเก็บทางในแต่เอาทางในเนี่ยเอาไปให้คนอื่นหมดเขาเรียกว่าสาวไส้ให้กากินที่คนโบราณบอกเดี๋ยวได้รู้แน่นะนักปฏิบัติสาวไส้ให้กากินกรหมายถึงว่าความดีเนี่ย ร, รู้รู้อยู่อะแต่เอาไปทำให้คนอื่นพ่อแม่ทำให้เราทั้งชีวิตแต่เสือกไปทำคืนดันไปทำคืนคนอื่น พ่อแม่รักเราทั้งชีวิตแต่เราทำไมเป็นรักคนอื่นทั้งชีวิตไม่ใช่พ่อแม่เราเดี๋ยวจะค่อยๆบอกไปว่าซับภายในเนี่ยคืออะไรซับภายนอกคืออะไรพอรู้เหตุรู้ผลเนี่ยสติมาปัญญาเกิดพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าของไกลตัวเนี่ยเป็นโอ้เป็นของอนิจจัง ระได้ตัดได้คือตัดระยะทางให้สั้นเข้ามาถึงใกล้ตัวเขาทุกทีพอปฏิบัติไปให้เห็นอสุภะเรียกว่าปงอสุภะให้เห็นตัวอนิจจงตัวเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็เห็นแต่ถ้าเราไม่รู้เหตุรู้ผลยังไม่ทันเห็นเลยได้ยินก็เชื่อซะแล้วนะเอาละวันนี้นะ เซิฟเซๆพอเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ดูว่าทรับภายในนี่ซับภายนอกยังแค่ขี้เล็บนะยังแค่เล็บมานิดเดียวเองนะท่านเนี่ยเสพเสพซับซึมรั์เนี่ยอะไรมาจากภายนอกบ้างและเอามาสมที่กระบาล น, นะ <laughs> โกนหัวแล้วยังหนักอีกนะแม่ชีเนะียยังเห็นขยับกันยุกยิกยุกยิ ก, ยกคงหนักมากนะคงบรรทุกข์กุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเยอะก็เลยเป็นทุกข์ต่อสังขารถนะ อ, อนสมาธิโอ้โหขังมากค่อยๆถอนสมาธนะิไอ้ถอนสมาธิหม่ไม่อยากจะลืมตาเลยโอ้ขังมากนะ ขังมากเลยพระเนนเทนชีเริ่มคิดเริ่มคิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเราจะว่ากันต่อการฝึกมากเกินไปก็ปวดโน่นชานี่เจ็บนั่นคันนี่บางคนมีสมาธิบางทีไม่ถึงสามนาทีบางคนมีจิตเป็นกุศลเนี่ยหนึ่งวินาทีหลังจากนั้นเหี้ยไปหมดแหละละลายน้ำพริกไปแหละ หลังจากนั้นเริ่มฟุ้งซ่านเพราะว่าจิตมันชินมันเคยไปซับเอาอะไรที่กับโลกภายนอกจนไก่หูไก่ตาจนสุดหูสุดลูกหูลูกตาสุดที่จะตามหาได้เจอนั่นเองก็เรียกว่าบัวที่มันอยู่ใต้ดินเลยมองหาบนดินไม่เจอขุดไปยังไม่เจอรากเลยอ่ะมันเน่าหมดนอยู่ในโคลนตมนะ เพราะนั้นถึงบอกว่าบัวสีเหล่าคือสภาวะจิตของเรานั่นแหละเพราะนั้นคนที่จะฝึกสมาธิผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรออ่อ่แต่ผมไม่ค่อยนั่งใหไใครเห็นไม่ค่อยไปันก็ทำงานเห็นหูได้ยินตาได้เห็นมือได้ทำามทุกวันไปทุกวัน เขาก็นึกว่าเราเนี่ยคงจะไปสนุกสนานไปทำโน่นนั่นี่รับแกกเราก็รับไปอยู่ก็อยู่กับพระไปก็แก๊กก็แกกแต่เรามองเห็นตัวเองโอ้เน อ, อะเมื่อไหร่จะตายวะทำความดีมันอยูดตรงไหนถามโยมเลยว่าโอ้เกิดมันเป็นอะไรเนอะจึงไม่เหนื่อยทีแรกมองเห็นหมาว่าโอ้หมามันสบายไว้จิตเป็นหมาก็ให้นะ ม, มันสบายไม่ต้องรับผิดชอบไว้ตัวผู้มันไปเสพตัวเมียเสร็จมันก็หนีไปแหละไม่ต้องเลี้ยงลูกตัวเมียมันเลี้ยงลูกเสร็จโตได้หน่อยมันก็ทิ้งลูกไปลก็มีผัวใหม่อีกเออวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีคนมาให้กินให้อาหารบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อพอไปเห็นหมาขี่เรือนเขทาทำนั้นเองกับหมาแก่กับหมาป่วย พอไปเห็นก็โอ้เนาะไม่มีใครมารักษาให้มันมันหายาทาก็ไม่ได้หายากินก็ไม่ได้หนาวก็ไม่รู้จะไปเอาพ้าห่มที่ไหนเป็นนอนที่เช็ดเท้าพระพระก็ถีบไล่มัง่งเออตัวไหนเป็นขี้เรือนก็ไม่มีใครมองก็ไล่ทุบตีขี้ก็ไม่มีห้องน้ําสัตว์เดรัจฉานมันก็มีได้แค่นั้น เ, เป็นหมานี่ไม่เข้าท่าดีกว่มี ยงกัดเห็บกินหมัดกินแล้วก็โอ้ไม่เป็นหมาดีกว่าเว้ยเป็นพระดีกว่านึกเริ่มเป็นพระเริ่มมองใกล้ตัดทางร้ายมาสู่ตัวเองแหละมองเห็นทางดีว่าโอ้ยเป็นพระดีกว่าพอเหนื่อยมากขึ้นมากขึ้นพอเห็นคนอื่นมาเราก็นึกว่าสบาย โยมมาแต่งตัวสวยเลยใส่เลรีดใส่ทองใส่รถเบนโอ้ยมากันมาถึงนั่งปาบโอ้ยโอยมวันไหนเราเหนื่อยนะเป็นอะไรดีเนาะที่มันไม่เหนื่อยอตัดพอต่อว่าน้อยใจตัวเองเพราะความมันเหนื่อยเหนื่อยแบบมันอยู่กับความเหนื่อยตลอดเวลาคิดว่าสึกดีกว่า อยู่ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ทําไมเรามาเป็นข้าทาสพระผกนี้นาะนอนตึกเราก็ไม่ได้นอนตึกไอ้ผงนี้มันฉันเสร็จมันก็เอาใส่ ย, ย่ามไปเลี้ยงโคตรพอ่อโคตรแม่มันเป็นย่ำย่ามเลยมันเอาไปกันเห็นแล้วโอ้ยมั น, นจะต้องชดใช้ญาติโยมขนาดไหนนาะขอบข้าวของไปไว้ในห้องเต็มหมด แทนที่จะเอาไปเลี้ยงไว้เลี้ยงญยาติโยมไว้เป็นเมตตาบรารมีนะร่วมกันเราทำด้วยตัวเองไม่ได้ใจไม่มีเมตตาพอก็เอาวางไว้ให้คนอื่นเขาได้ไปมาท า, านเพื่อจะได้มีกําลังเลือกสรรหาในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างแต่เห็นพระใส่ย่ามกันไปเดินแต่ถามว่าหลวงพี่หลวงพี่ทำไมเอาย่าม เอาของไปเยอะแยะทำไมไม่เทไว้ที่นี่ผมเอาไปให้คนงานครับคนงานมีสามคนกูไปคุมคนงานทุกวันและทุกเช้าเลยที่กะไดเห็นมีอยู่สองถุงคนงานก็ลงมาเอาเองด้วยแต่พราที่เดินผ่านไปเนี่ยเอาของใส่ ย, ยามหายไปที่ห้องตัวเองออผมตั้งแต่บวชตั้งแต่พรรษาแรกผมก็ไม่เคยทำอย่างนี้ ก็แปลกใจก็ไปแอบดูในตนต่างมังอะไรมังโอ้ของเต็มไปหมดเลยในห้องพระมีถุงพัสติกเต็มไปหมดมีแต่เครื่องอุปโภคบริโภคมดวิ่งเข้าไปแล้วก็เห็นหมดมาก็ฉีดฆ่ามดเพราะว่ามดมันมากัดหลวงพี่ไปด้วยเพราะว่าเอาอาหารเข้าไปหมกไว้ และถ้าเกิดใจเนี่ยยังไม่เข้มแข็งพอจะทําชั้นใดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองเห็นแล้ ว, ว่าโอ้ทุกคนมองยังประโยชน์ให้กับตัวเองไม่เคยยังประโยชน์ให้กับสิงสาร า, าสตรัตว์ลุงพ่อกระทาทุกวันเนี่ยเชา้ากันมาไปดูเป็ดดูไก่จ้างเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จ้างเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย จ้างเข้าไปซื้ออาหารมาเลี้ยงปลาขุดสะน้ำเป็ดไก่นกหมูห่านกุ้งหอยปูปลาหงก่ก็เลี้ยงช้างมา้าควัวควายนะคนแก่คนพิการคนเสียสติบ้างคนไก่ตายคนป่วยอยู่ในวัดเราเนี่ยเยอะแ ย, ยะไปหมดเนี่ยสิงสารสัตว์เนี่ ย, าายหัวให้เต็มเสาหมดเนี่ย วันเอาอะไรไปได้นะมันก็เกิดมาเหมือนเรามันแค่กินอิ่มไปมือม้อหนึ่งมื้อหนึ่งแต่พระคุณเจ้ากับแม่ชีเนี่ยบางทีก็รักพวกพองใครมีพวกดีก็ได้กินดีหน่อยเก็บไว้ให้ใครไม่มีพวกไม่มีสตางค์ดูเหมือนไม่มีบรารมีก็ขาดคนเอาใจใส่หลวงพ่อก็เดินต๊กทักทักทแอบให้ตัง แอบให้ตังมังอวกคนเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครให้มาหรอกมันซักกางเกงในให้คนอื่นแต่คนอื่นได้เอาไปใส่แต่มองไม่เห็นที่คนซักหรอกก็แอบให้ให้คนไม่พอบอกเผื่อแมวด้วยนะเอาไปซื้ออาหารแมวด้วยเนะนี้ยมันมันเราต้องคิดให้หละเอียดก็ซัพบภายในก็จิตใจเราอะเคยซับพอร์ตให้กับคนอื่นบา้างไหม ออมองแต่หมู่คณะเพื่อนฝูงใครไม่พอใจกันไม่พอใจมันให้แต่พี่แต่น้องออถามพี่น้องหลวงพอ่อในหลวงพ่อให้อะไรไม่ให้หลานอยู่ติดกันยังไม่ให้เลยเให้ต้องให้เหมือนกันหมดอยู่ก็อยู่เหมือนกันไม่มีอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าดีกว่าแต่บางคนสร้างกุฏิให้อย่างดีถ้ามีระเบียงให้ หม้ายังอาศัยไม่ได้นละไม้กวาดควาดมางอะไรบางหลวงพอเห็นแล้วก็โอ้เนเราจะสร้างไปทำใหม่ไว้เนี่ยสร้างไปก็ยังประโยชน์ไม่กี่คนสู้สร้างสัลายาวๆเนี่ยคนมานอนรวมกันเยอะๆแอะนะแย่งกันกินแย่งกันนอนแย่งกันขี้นะได้ประโยชน์สร้างห้องล็อกๆๆๆพระจองเป็นคอนโดหมดละ เอาสีไปแปะเอาตะปูไปตอกทำเครื่องอุปโภคสะดวกสบายของตัวเองแต่ไม่คิดถึงหัวอกหัวหัวใจกับคนที่คนทำนะลองไปทำกับบ้านเขาบ้างโอ้ยอยมอยมันฆ่าเราตายเลยเพราะนั้นที่พูดเนี่ยไม่ได้มาระบายเราให้เห็นว่าทรั์ภายในก็คือลุงพ่อเนี่ยซับพอร์ตคนอื่น มดก็ไปขอเขามาเลี้ยงนะมดนะเอาประตูเอาไก่เอาไปห้อยเลี้ยงมดนะเช้าขึ้นมาไปเลี้ยงแล้วเอาปลาใส่อาหารเป็นทุงถุงไปใส่ไปเดินดูเลี้ยงคนเลี้ยงไก่ไก่ไม่มีความสุขดูแล้วว่าไม่สมบูรณ์ก็โอ้ยรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายใจขนาดจ้างเขาก็มึงก็ยังไม่มีความสุข แสดงว่ามึงทำกรรมมากกว่ากูอีกมันจึงไม่มีเมตตกับมึงนะักก็ได้ความคิดเยอะแยะเลยตอนเนี้ยเพราะนั้นเราเป็นพระเป็นแม่ชีเนี่ยจะต้องอนุเคราะห์โยมที่มาเห็นเราเรียกว่าซับพอร์ตเอาซั์ภายในที่มีดีคิดว่าตัวเองดีเนี่ยเอาดีออกมาให้คนอื่นได้ได้ประโยชน์ อย่าดีแตกนะอย่าดีแตกอย่าดีแต่พูดเห็นไหมไอ้นคนโบราณเขาบอกว่าอย่าดีแต่พูดอย่าดีแต่มองอย่าดีแต่ปากเมื่อขยับมั่งเนียเห็นะไหมที่เขาด่ากันเขาว่ากันอเพราะ น, นั้นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราก็จะค่อยๆบอกไปว่าทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันเป็นซัพย์ที่ ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แม้แต่ร่างกายเราเนี่ยก็ไม่สามารถจะยึดมั่นถึงมั่นได้เลยมันต้องเสื่อมสลายแน่นอนรถลาบ้านช่องลูกผัวเนี่ยก็ลองนึกือว่าใครเอาผัวตอนตายแล้วก็หายไปด้วยกันได้ไม่มีอ่ะมีแต่หายเข้าไปในโพรงไม้อะเออก็เป็นทรัพย์ภายนอกนะ แต่เราไปยึดมั่นถือมั่นมากเลยเราไปยึดยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เราตามมองเห็นหูได้ยินขนาดตามองสุดลูกหูลูกตามองไม่เห็นไม่ชัดยังปรุงแต่งฝากคนไปดูให้หน่อยอีก <c oughs> เนี่ยเชื่อไหมจิตมันไกลตัวไหมมันออกไกลภูเขายังมองนึกเข้าไปว่าทางในมีถ้ำไหมเนี่ย มึงลองถามตัวที่ว่ามึงในปราสาทเป็นปราสาทพระราชวังไหมเนี่ยแล้วจะมาฝึกสมาธิกูเห็นมึงนั่งหลับตาโอ้ยมีชีอยู่องค์หนึ่งเดินจงกรมปาบ ป, ปาบ ป, ปาบเวนเดินอยู่แค่ไม่สี่วันเองนั่งยังยองซะแล้วกอดเข่าคิดถึงใครก็ไม่รู้อกูก็ชอบพิจารณานะกูแกล้งทําให้คนนอนเห็นอย่างนี้ทําให้คนนี้เห็นอย่างนั้นดูที่ว่ามันจะคิดกับเราอย่างไง ดูซิว่ามันจะทำกับเราอย่างไงอ้าวพอมันมองและตำหนิเราเราก็แอ บ, บมองไว้ว่าเออเนี่ยคนที่ว่ากูอ่ะเดี๋ยวใครดูนะลูกมันญาติมันตัวมันเนี่ยต้องเกิดเกิดภาวะอย่างที่กูทำเนี่ยเพราะมันมีความคิดไม่ดีก็คิดไม่ดีกับเราเพราะนั้นพักเดี๋ยวเป็นแหละปรึกษาหน่อยครับปรึกษาหน่อยค่ะ ไอ้เรื่องที่มันลังเลสงสัยคนอื่นดังนั้นเกิดกับตัวเองเขาจึงบอกคนโบราณบอกว่าผงเข้าตาคนอื่นเนี่ยเรายังพอแคะให้ได้แต่ในขณะที่ผงเข้าตาตัวเองเนี่ยแคะได้ไหมได้ไหมถ้ามึงแคะขี่ผงออกจากตามึงได้มึงก็แสดงว่าขั้นเทพละอ่าออ เรื่องเล็กเลอกเล็กนี่แหละที่ทะเลาะกันวุ่นวายเนี่ยไอ้เรื่องใหญ่ๆก้อนหินก้อนต่หัวครัวหัวควายเนี่ยมันเข้าตามึงก็แสดงว่ามึงตายตั้งแต่เบ้าตาแรกแล้วใช่ไหเพราะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องมีสติมีปัญญาฝึกก่อนรู้ก่อนว่าทรัพย์ภายนอกมันคืออะไรที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทำไมจึงยึดไม่ได้ จึงเรียกตัวว่าอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงอารมณ์ใจที่มันไม่เที่ยงเพราะว่าใจเราเนี่ยพอรู้ลืมตาหูได้ยินปากพูดมือได้สัมผัสเนี่ยเริ่มไปเกินไปแล้วไปไกลเกินที่เราจะพูดให้กลับมาได้แล้วเข้าใจอย่างที่ใช้คำพูดนี้เม่ชีเข้าใจไหมแม่ชีอะเริ่มเข้าใจอย่าง กัดใจเรามาก่อนนี้เราจํามีพ่อมีแม่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามีเพื่อนที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่เราเลยแล้วความคิดเราเนี่ยไปถึงอเมริกาอใครเขฆ่ากันฟันกันเอามาใส่ใจโอ้ยน่าสงสารจังเลยกูทํางานทั้งวันมึงไม่เห็นสงสารกูมึงเลยเออะจะไปช่วยอเมริกาจะไปช่วยอียิปต์นั่นอ่า กครบกันจำเป็นจะตายม่นั่งลุ้นซีซ่าทุมฟุตบอลโลกลุ้นไปลุ้นมากลายเป็นอยู่คนละทีมเช้ามายมให้พรหลับหูหลับตาลุงพี่พวงนี้ทำบุญหรือเปล่าโอ้อาตจจมาชอบอัลซานอนอ่ามันลืมมันกระนาดยืนให้พรนะนะมันยังหลับตกใจตื่นจิตค้างอยู่อัเซานนนะ์ มีอยู่ปีหนึ่งลิปเปอร์พูต่อย อ, อาซานนนตาเขียวเลยพระลุงตากับลุงพี่ต่อยกันแทงบอลแค่คนละสี่สิบบาทเปะต่อยกันไปคนละแปดสิบวัตีคุ้มไหมโยมคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุมมค้มมันไปไกลเกินตัวแล้วเกินหูเกินตาแล้วเกินเด็กแล้วเขาบอกโอ้มึงเป็นเด็กทำตัวมันเกินเด็ก คนแก่โอ้ยแก่ๆ แ, แล้วนะยังทําตัวเป็นเด็กๆอยู่เทิร์นกลับมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยนี่คือคนโบราณเนี่ยฉลาดก็พูดแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจความหมายเราก็เลยไม่เข้าใจตัวเองนักปฏิบัติมันก็แย่นะนว่าเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยอ่ะแค่นี้เนาะลุงพี่เอ้ากวดน้ําว่ากันไปเดี๋ยวแย่อดบุหรี่อยู่ด้วย เปิดหนังสือไปหน้า75บทกรวดน้ำ